ถ้าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับฉันหรือว่าของวัดสดีแกต้องปูุกฉันก่อนก่อขึ้นส ม, มแล้วบอกกับฉรู้วิชาจะไทยมาทนาแลแ้วคากำจัดไล่ไปเพื่อบอให้รู้จะให้ไล่จพื่อไม่ต <c oughs> ้องเอกันทีกขึ้นหนึ่งที่เคยไล่ไปก็หมายความต้องถึงวิการอยู่เวงเท้าไม่เท้าสูงเข้าเครื่องมือเพราะว่ะาบาทําำงานนั้นใส่เครองมือจึิงเลยการละาม มึงซูมมันจอดอยูห Original, ่หน้าวัดตะไหร่ในในโ้นในถอยพอใกล้ทีสองเขามายิงที่หน้าตาเพื่อนเพื่อนเจแล้วขามลยมันหน้าอยองนู้นใต้ต้นกระสีบอกไม่ใส่เขาไร้าเพียงขึ้นมาถามอยู่ไหนนู้ดตัวกลงน้นถามนี่ทำไงามคนนี้พอจะวาลอยมามันจะเอาสายพันยวาเข้าไปหน้าก็มีรอยขีดข้างหน้าสู รามว่าฉันจะทำไงมันยดีัดถ้ามันตัดนะคับมันไม่ได้ทำไรมันจะนันนั่งนีไปมันจะปล่อยสุ่มลอยไปใต้น้ำแล้วก็เพื่อนมันลอยคงคอยตั้งรู้องบอกเสยาว่ามันมากี่คนบกมันมาหลายคนมันอยู่ใต้แต่ที่เดี๋ยัดเป็นมาคนเดียวแล้วเลยเป็นเลขสององลับหมดโนององตึมันผมเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าขโมยยุ่งซุ่มไอ้สององลัหด อุ้มเอาไปมาเนีมดตามเลยมันมันมือมันไม่ยอมนอยากจะแผนบมได้ม่แผ่มันลองไปลองรุนระเบิดมันมีไม่ใช่ไอ้นุันระเบิดรุ่นระเบิดได้อีนผักนี Sundays ่หรอเยี่ยรุ่นระเบิด อย่างนั้นนอนได้เราก็ไปที่รับรัดใช่ไหมบางบางเงาหน่อยสูงปลมาณตอนนี้เป็นยงไงจีิงจริงเองเขาเดินลงจากเดินมาลุกลุกใกล้จะตกสามมือทีนี้ก็เดินลงมายาบาลความเมากก็เข้าพยาบาลบุกเลงไม่พยาบาอื่นๆมันจะลอยไปตามแช่น้ำใช่ไหมใช้มันลอยเฉียงตัวหนาสูงลงตาเป้าหมายเองพอเข้าใกล้ตรงมก็ดังล าการลงภายุวาลก็อยาตามปกติแต่เรเห็นพายุวาลอยตามปกติแล้วก็รู้ึกว่าจะทำอะไรไม่ามากเลยแต่ อ, อี ก, กข้างกใจะไปไปแต่อพอเขาเขาอีกขออ้กางใกล้เขาดําทุบเขขึ้นฝั่งโนพอขึ้นฝั่งคือไม่ทันขึ้นฝั่งขึ้นมันเป็นหายเพาเดินขึ้นไปน้ำแค่เอว ท้ามันยแมฟงได้มคิโอ้โหตอนนั้นมันยังมีอยู่บทใหม่มือเคยป้ามีเยอะป้ามีแค่ปลายตัดแค่ปมตีสันตีตั้ตีมันได้ทั้หลาเรื่องเล็กๆวปีสูที่ไม่เคอาไม่สยฟทุกวันเล็เรื่องเล็กเลย อ็ดาวแม่ก็เห็นว่าเกินม้ำเงินลึกอยู่ระ่อยพัววันนึเข้าไปน้่งแท้เสากั้งตรงกลางหลังคุบเลยสบายมากเลยตอนสามโมงเรือท่าฝากไปให้จัดยกขึ้นเรือมาแล้วมาปูกใกล้เสาเสาสลานน้ำปลูกสามปลองยินนั่นหนาวด้วยแล้วเราก็เปทำอีกฝั้งตรง มึงเฝ้าของที่เนี่ยผู้ดูแนอนไม่ตาไม่ตาใช่ไหมมาท่านศาของวัดมันได้บุญนะอช่ไหมเรแต่ต้องสงนะต้องดีเราตองปรขาต้องมัดขาาเอวนะก็โอเคตึงแต่เสาต้องยืนก็มัดมือไพ้กับเสาผ่านจังจะสบาย เหตุการปกติเช้าเชาลวว่าปานที่มารู้อั like ่างเงี้ยเาจะมาถามคุณยาวโทษงานไหนบอกเลยต้คุยกันก่อนก็คุยกันก่อนว่ามาจะสู้หรือไม่สู้ถ้ามาว่าจะปากใช้ก็ต้องเอาโทษหนักนอถ้าไม่ปากใช้ก็ปล่อยไปเะต้อเรียกพยานบ่ายมันมาเรียกนายตำรวจมาพอดีมันก็ยอมรับ ยอมรับทุกอย่างนะตารวจเลยจะเอาโทษนะครับเรนนื่องกฎหมายพอแล้วมาส่งเอาแค่นี้พอเขายอมรับหมดใช่ไหมอากาศมไหวมันไม ร, รู้สึกตัวมากพอตั้นใน บ, บัดนี้ไปต้นไปนะถ้าคํามพวกแกห้ามใส่วัดแต่ในน้ำหรือบนบกก็ตามถ้าผ่านวัดมาแล้วตายมาเล้ก็ขูมันตรงเนอ้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ เรือื่อผ่านก็ไปผ่านหลังวัดโน้นไปแต่วันนั้นมาก็ไปเดินผ่านรัดสัมพุทธเดินผ่านไปเดินผ่านในวัดออกจากบกที่ออกบกนี่ใช่ไหมใเสไม้ของมือมีเยอะขยีกินไม่เคยหายก็ใวันนั้นต้นมาดีมากไม่มีให้ผ่านในวัดเลยแให้คนนคั้นคะุนิวนึ่งแต่คนทั้งหมดไม่ยอมผ่านก็ อ, อะไรนะรูปพรป่ า, าป <c oughs> ี่หลานอมมันมีผลเหมือนกัน อเรียกว่าอีกขององค์หลวงพ่อสององค์อยู่ป่าเลยครับใช่ใช่บทีอ่านหนังสือที่หลวงพ่อนอนหลพ่อประติเดอซึ่งจะเป็นเ่งจะเป็นเจ๊กคนชื่อเดียวเท่านํานไม่ใช่มีคนชื่อเดียวอ้างตัวมีคอยบวช้อมกันนไม่ใช่สององค์หอครัมีมีมีคนเคยอ้างตัวอ่านหนังสือบอกว่เอออะไรายฉันไม่รูผมเลยไม่รู้จัก ว่ามีะอะไรไหรือว่าไปก่อนโยมเขาก็ขอมิตรบอกว่าไปเห็นคนตายลกูก อ, อุบัติเหตุแล้วก็ตายแล้วก็ตัวเองก็ฝันเหอยู่เสมออยากจะทำสังสรทานให้แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอย่างนี่ขอความแด้นำเสนอก้อนหน่อยโอ้ยอย่างนี้ต้องขอค่าฟืนวะหายใจสักท่า อยาลืนยืดขึ้นมุขอท่าบุญเลนะล้วยทำอะรต้องไปให้ตรงปฏิปทาทุกตัวสีไ้ได้ได้ไม่ไไม่จำเป็นต้องรู้จักที่อกในเราที่สุดเราเลืถึงคนนั้นที่เราเอยู่ใจจับจงเลยใช้ได้เลยท่านแสดงตัวอยู่แล้วนะถ้อไม่จำเป็นต้องรู้จักที่ เราตั้ใจเขาขคนนั้นขอเพรานี่ไม่เคยมีประโยชน์ควานมาบูรณาจะนี่จะมีประโยชน์เพราะถ้าองโมทนาไม่ได้เขาไม่ขอถ้าเราทาให้เขาพร้อมรับไปนี้แน่นอนะถ้ามันมีปัญหาเขาขออะไรบ้างะจะทาแทนคนที่เขาฝันเห็นได้ได ตอบใครก็ตอบถ้าไม่ถามนี่มันก็ไม่มีนะถ้าถามมันอาจจะมีก็ได้จะไม่จะเป็นนะนะทำแต่ทด้ทแต่ได้ก่อนนั้ถึงว่าคนคน้อดีคนที่คนนั่งที่แสดงตัคนนั่งเห็นอยู่นะจะเป็นใครก็ตามเมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็มโทสถนาแต่คนเพี่เดียวพระพเจ้าเลยแสดงปฏิสตอไปคนง่าย เพรานี้เขาพร้อมรับอยู่แล้วสองสารที่นอนมันไม่นั่งลงมนหมอให้ถูกยังไงอ๋อเจ๊เฮ้ยมันดึงตัวเนี่มันดึงนอนนะตาตาาตาตีตตตตาีทุกคน อะ ไ, ไ, ไรบ้างวันนี้มีอะไรคุณบ้านอะไร่อบุตรองนะสามเหลือเวลาค่ห้านาที่าไเลยสามามสามสามสวาผมใ้าอยากจะทราบว่าวัดหรือสำนักของที่หลวงพ่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรักทรงทิกษและภงคิพล น, น, น, นั้นว่าชื่ออะไร ถางราเฉยนี่อยยังมันมีที่เหลออะมีรอยู่นันชื่อแต่นะใส่แน่นคยัดเดีไม่ตั้งชื่อเป็นเพว่าปลูกไว้เย่าเพราะบ้านนั่อยู่อาศัยได้แต่พอใจทีบ้านนะยังไม่ถือเป็นาน้กสงยังไม่ถือเป็นมันถเป็นที่พักที่เฉยแล้วก็บอกว่ากิโลม กีอไร่อะไรกินกิโลเมตรเี่พันกรัมพ่อพ่ออีกแล้วกกโลพันกรัม่ไม่รู้อ่ะเอาไปหามเองเดี๋ยวนะอ่าถ้าตั้งรถไปัะเป็นบดนิสสเตียนอยู่ใต้บึงลำทางนั้น าทางข้ามถนน้นยมีถนนแยกออกไปแล้วมีวทที่สเ่ยงแล้วพี่งเรื่อยไปจะทู่เดียวพอแล้วต่อไปข้อที่สองว่าเกี่ยวข้องกับลุงพ่ออย่างไรสมเด็จกรมหลวงภ้อนเกษุดมสักดิ์ขวามันศักดิ์็เกี่ยวข้องันมาก ท่านเป็นคนไทยนี่เกิดก่อนหรือว่าเที่ก็เป็นไทยด้วยกันเนี่ยแอบเราแว่าถ้าเรื่องเกี่ยวข้องอะไอื่นท่านเป็นที่เน่ลยนะอาใช้ท่านมากท่านช่วยงานมากทีเดียวรับท่านทงานรับกานรับท่านด้านสนทนาเนี่ยกเราด้านสนทนาด้วยนะอาศัยท่นมาก และการค่งข้อได้คนนั้นก็่วยมากเ๋ยวนี้เป็นเทศหรือลุ่มที่ไหนเร็วนี้เป็นโลกลอยที่ว่าชัดเแล้วใครก็จะไปเถียได้ถ้าพูดไปเถียงกนพูอไีนี้ยังนี้กับพวกแบบนูที่เยาะเยอ้ ทำมันได้แล้วแชรความรู้มีก็ไปสู่เราเองถ้าพูดไปมันดีไม่ดีมันเป็นภาพที่ในเขาครับอะเอถ้าไปเราบอกว่าพระนี่ยลําบากมากในการพูดมีนใยฟังอยู่วาดไปไอ้ที่เราเกลี่ยที่นขออกใจก่าเราเกี่ยที่นายออกเราก็ต้องออกตามที่นายด้วเราเกียนท่านท่านเคยเกลี่ยเราเราไม่เกลี่ยแล้วดีกว่า ผมต้องเสียถาพ้องเจียท่ไหเกียเข่าที่น่นเลยเกียรกลายเป็ายตายยกทรงไปเลยตายไปเลยกรรมฐานอันนี้ที่จ่านาสุขรับยาดดีมากกายนิสัรุนติจะนาพควัดเลยที่โยมเก่าๆทา่ว่าโยมท่วงบอกว่าอ้ตัวจอนกวดสอนที่ปัฒนาหุดห้าขาถามหลวง อ๋อไอ้นี่จะของดีทำตรงแล้วว่าทุกอย่างมาเตรียนิจังถ้าเป็นนิจังก็ไม่ต้องทำยกทรงช่วยเป็นการสงเคราะห์ใชไหมเล่าไม่ทำดใจรักใช่ไม่ไมติดใจรักหรอกนี่ก็เป็นพิธีหารสีเป็นเมตตาตัมาใช่ไหม มาไปอย่างนั้นเจ้าของก็เสีกําลังใจไปไหนกูเรื่องใช่ไหมทั้งความย่อมส่งฮจิตใจชื่นใจเหมือนจะินสสถะนพพานไม่ตายผกปั๊ประวัติแต่ต้องเกาะส่งมดีนะไดครับครับทีนี้ต่อไปข้อที่สามว่าข้อตาหิถ้าง ที่อะไรท่าแท้คุณพรนั้นน่ะมีจริงหรือไม่เมนทรงรู้ป็นเทพเพราะว่าเรื่องก่อนใครเป็นคนไปเห็นมาที่พูกเป็ น, รปนรรไรเป็นก <c oughs> ็อ่านออกคำลังเป็นตัวนู้นเห็นใช่พ่อตายหินชางเขาเรียกเป็นอย่างนั้นเขาเรียกพ่อตาอะไรนั่นนะ่ะนะแล้ว่าเอานี่กั น, กน มันมีเรื่องอยู่ปีหนึ่งนะเป็นปีพอสอะไรจังไม่ได้ตอนนั้นไปยืมรถหมอวิวัยจะไปไปกูเมยนะแล้วก็เขา ไ, ไปเป็นศิษย์เาบอกพ่อตาเนี่ยเขาเรียกพ่อตาเนะี่ยตัดสิทธิ์มากที่ท้ากลับมาก็ไปแวะที่สายแก่แล้วก็กินข้าวเช้าที่นั่นข้าเขามี พอดีฝนตกมามืดฝนตกข้าวหนักมากจริงๆเต็มหมดใช่ไหมจึงเลยบอกว่าหลวตาเ้าศักดิ์จริงถ้ายังไม่ถึงที่พักข้ามฝนเปรดมดนะะแล้วก็แล้วจะโทษได้ก็ตัวท่านชอบประทัดจึงเลชื่อประทัดตัวสองสองปล่องจุดเล่นไปไปไปไปตามเรืํอราวใไ ตอนนี้บอกรถฝนตกสองข้างทางสองข้างถนนแล้วฝนตกมากสุดทีต่ที่ถนนที่รถจะวิงมนีฝนฝนไม่เกี่ยวกัสิ่งดีตอนนอจะมาหน้าคอมมอนส์จะมาภาคเหนือคมมอนส์กยังไม่ทำถนนนั้นอมมอนส์ใชไหมมาถึงีห้วยางก็มีร้านไทยร้านหนึ่งเขาขายในน้ำอะไรน้ำเปื่อยผสมน้ำมะนาวเห็นมันดีก็เลยแวะเข้าไปพอแวะเข้าไปฝนตกเกี่ยนวรถเ พอถือว่าถึงที่พักลงขนาดหนักเลยแต่ขนาดที่มาได้พอตบหนักจริงๆเลยสองข้างทารนนอหมดไม่เจอก็จริงๆแล้วเปนั่่าท่านเปนเชี่ยได้เป็ทองไปแคท่านสัตที่แต่ความจรเห็นตัวท่านเหมือนกันเราพูดด้วที่้ก็ได้เห็นพ่อตายอีกทั้งย่มีแม่ใหญ่ายังไม่เจอเขาไม่ใหญ่เจอเขาแล้วพ่อตา ไม่รู้ว่าไม่ใหญ่ไหเรียพ่อตาพอตาเป็นจริงเคยคมาพรกับมากุลตอาไปยอมท่านหนึ่งเขาฝึกมโนมยิเอยากจะได้มโนมยิเทสบทีก็ภาวนาพระโาะว่าไปว่าไปก็เปลี่ยนจุเป็นนามบัตร ทำชุดเลยพอก็ค่อยช่วยไม่จีบจอบาวาดเลย่างภาพันแต่จีบอั้นไม่ฝันฝืแน่ไม่ใกล้ช่ใช่พออเปลี่ยนเป็นอนนี้มีอะไรด้วยล่ะร้ำครนเ้ มีรก็ว่าไปก็ไปสีเลยละบอกว่าถามว่าหลวงพ่อแบ่งภาคไหนไปจังหสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อแบ่งภาคไหนไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอภาคภาคบางพาร์ทภาดนั้นเหรอใช่ใครที่ท่าเดนยไงล่ะโอ้อ้อที่อย่างนี้ก็หลงพอที่วัดแกตรงนี้เว่าสุราษฎร์ธานี พรองค์หนึ่งค้ายคล้ายหลวงพ่อไหลไหลเหมือนกันรูอหลเหมือนกันมีอานัะและในีเวลาในตีครึ่งเราจะสอนกรรมฐานประจำแตเวาเราอานหนังสือหลวงพ่อเนี่ยอ่านไม่ได้โยมแล้วก็ราปฏิบัติก็เลยสงสัว่าพระองค์นั้นจะเป็นปางไหนหลวงพ่อเซนซัปางทั้งาทสองางย ลูกทำไปพูดด <thì> so uh, yeah. ้วด้วยตอนที่พยายามถึอข้ออ่านแล้วก็ตอนกางคืนปะมาั้งสอึ่งกว่าแล้วย่โมมีั่ตามพราะว่ามเลดีแล้วเร้วอนี้ความต้องการเหมือนกันเท่าหรนะคอบมีนะน่าด่าและมีนักมากมากในคำ ตรงนั้นก็เลยนัดตามมาโอ้โหเรียกจริงนนี่เขาภาคยานัดมั้งนี่เขาภาคมาว่าอย่างนี้เวลาบูชาพระตอนอากาศร้อนๆแต่งตัวไม่เรียบร้อยคือไม่ค่อยได้ใส่เสื้อแสงอยากจะเรียนทราบว่าอย่างนี้จาก มีบาปมีกรรมหุกอล่ากรรมร้อนไโดนจริงเรียนรู้หนึ่งเจนตองกลับถ่านกรอไม่มีเสื้อแล้วก็ไม่มีแสนแสงอะไรแสงแป้งนิแล้วความจริงการบูชาพระเนี่ยนะตาพระใี้บุญพระบุญแบบใช่ไหมตาคนถอดเสื้อแก้ผ้าทั้ลา คุณยี่ได้เข้าตัวไม่ง่ายอ๋อกระดาษอะไรเอลายลาอย่างนี้ทานไม่ทานกม่ได้ทานเราทำไงพอดีแล้วเราตั้งใจอยู่เคยเรียนมาที่น่ได้ไเอาไกว่าลับมานทายลกคุณพูดมันเวลาไหวรับสีใช่ไหมลาบปนวนแล้วสมัยก่อนก็นุ่งผ้าพื้นผ้าพื้นก็ผาขนาดธรรา อินตาชายอดป็นวนมากเกินไาแต่ครั้งเปริสุดเนี่ยเขาก็ไม่รด้ม้วนไม่ได้ลากนะลาภเป็นมัมสาศินไมยันทันเตดิสเนนัทละหะใช่ไหมลาภนะแต่ก่อนนั้นก่อนักสินหรว่าอรทั้สมมาสมโภก่อนบุษพันธ์วันวันกันว่าที่วิสุทธะโอ้โกลาเมื่อเบริสุด ตอนนี้เราดีตลอดครับตอนนี้ราดกบ้คนเมืองราณเลยแ่ผมบอกนะครับนะคราบครับครั้งคือพยายามเนเศรีในรดับอาปัญจที่รายยาจามัสตอนนี้บรรดาญาตอยู่ของลังาเห็นทายกเรื่องนั้นแล้วเบนออกแทินหน้าคนที่เข้าตรงนั้นเคนะาทในั อเขาตอนอาหารต้องปลาผสมแถวเลยปลาดิ่งเลยให้ข้าดูสดเลยนี่ปลาดิ่งปลาดิ่งต้องไปดูสดอีกคร้งินดูสดอีกอยากดูดิ่งต้องต้องดีนะข้างข้างนะไม่รู้จะไปข้าว สารฆ่าเลยถูกสารสิทธิแท้เพราะฉะนั้นปฏิฐามมันนี่เวลาตูชาพระคนถอดเสื้อแก้ท่ายกหมดชีวิเขาจะได้อะไรดลยไม่เจอไม่เจอไจเลยนะด่าด่อยู่ที่จิตคนรับพระรสน์ไกลหรือเปล่าอยู่ที่แก่นี้เอง ถ้าร้อนเกินไปต้องเป็นคนความร้อนใน้นก็บูชาพระเป็นอาตายุทธานิโยคเรื่อบาดใจจิตก็จะไม่ไม่ตั้งเป็นสมาธิเราทำตัวมันเหมาะสมพอดีอดก็ดีมันใช้ได้แล้วเรอจิตไม่จิตป็นสำคัญมันมีอะไรอีกไหมจิตเก็ดด้วยวิวา มันเขาจะขาวเป็นก่อยทางานพ่อถามอ่ารายได้จอะไางทีแค่หน่อ้ยอย่างนี้ที่ต้องรู้กำเนิดเดิว่ารามาจะเป็นปูนไหนนี่คนนี้มีจำนนมากไปเผ่ามา เป้าเล็กมาอท้าใหญ่เนดาวเป็นจเลยเนี่ยทั้งร่างกาั้งมันปัญหาแล้วมันจะหอยมาช่างมันฮะอ๋อปัญหาแล้วมัญหาหอยก็ช่างมันใจก็ตั้งใจบูชาบ้ากันแล้วกันแต่ที่หอดากหน่อยนะครับ พ่อหอนเน่ดีตาพิษนะสามารถเห็นผีได้หอนเนี่ยเหรอผ้ช่พต้องต้องเลื่อนบางเดือนนะถ้าได้รัสองก็นใหญ่ผีเราต้องกันหอนหอนตาพิษก็จะคืงไม่จะ้ลับเราเอาต้งเก็พวกที่หอนได้เห็นผี แรกคนเรนศึกษาตามเขาขอนท่าไหนเ้ยทีอยงขอนไ่เหมือนเอ้เาตํารวมนมยุทีเลยฮะาได้รับฝึกพิจารณาเขาเรียมนยุนธีอนเอไม่มันจะไล่าวที่ต้องาพ่อนะใ่ช้อสองเบอกว่า ละตุลามะรีเวลาขึ้นไปเห็นมีบางแห่งสร้างไม่เหมือนกับวัดท่าสมอยากไปเรียนทราบว่าที่เขาสร้างนั้นจะเป็นตุลาจริงหรือเป่าขึ้นไปที่ไหนขึ้นบนหัวหน้าถ้าที่วัดเขาไม่เหมือนเขาต้งหัดเพราะทย่เขาไม่เหมือนเรา เราทำในสัญลักษณ์คนนั้นเองขอเราที่หม่เหม่ยเขาเขามีอยู่ก่อนแล้วถ้าใช้เหม่ยเขาต้องจะเอาหน้าลงมาแล้วแล้วัดอื่นอื่ข้างนี้ไม่มีวิศวิตเทสต้องย้อนไม้ก็ไม่เป็นไรไปเจอสัญลักษณ์ความคารพของผู้ดูแลอันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ก็เรื่องเรื่องวิศวิตทสเนี่ยปรากฏว่า เมื่อเมื่อไปวัดขาพทุเ่อกลับมาภาพมันก็เสกตายตลอดเวลาเลยอย่างีเนสัตหนักไหมอะไรนะหนักไหมแค่ปูนหลายลูกนะภาพภาพนอ๋อมันเอาภาพเลยจะ้งจิงก็องจิงไม่ไหวแน่นอ่นั่ดีที่สุดแล้วที่สราบมาอย่างนั้นก็ให้เด็กเสียหลักตัวเราต้องปฏิบัติธรรม ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิ่ผ่านในรูปร่างนั่นสิยังไงเห็ hmm. นไหมถ้าจิตตามมาแบบนั้นก็ดีดีเป็นองคนิมิตทางที่ดีก็ควรจะเป็นปฏิภักนิมิตไปเลยรัฐนาท่านท่านขาคอยนั่นก็ต้องมาคอยนั่งคอยเท้าข้ามบิวคอยนั่งบนทับอยู่บนที่สระเขาทับอยู่บนบาดาลบาดาลต้เนี่ยนี่ก็เป็นปฏิทักนิมิตนี่ประโยชน์ใจมาก ข้อสามเขาบอกว่าส้มประตูสุดหลวงพ่อปานที่วัดท้าคงจำนองมาเป็นทุนของหลวงพ่อที่นิพพานใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะที่นิพพานเขาไม่มีอิย่าอิจดุล ความอริงทางท้ายเรือนั้นท้ายเรือนนั้นนะคือลึกไปออกวิญยาณเอาแบบไหนดีศาสแล้เดินไปเดินมาผ่านคือวันวะไอ้ที่หรอว่าสารการที่บ้านเราได้สนแล้วหลวงพ่อรกีเรื่องวดน์ลายไทยต่างๆที่วิจิตรศิลปแผนไทยสามประเทศย่อกย่อใหญ่นี่เป็นการจาลองมาจากชบุมันวนตุงให ก็ต้องไปถามเขาตายแล้วตายแล้วก็ตายตามไปถาม <c oughs> แล้วลุกขึ้นมาใหม่แล้วไปบอกชาวต่างประเทศ <c oughs> ส่วนใหญ่จริงๆเั่นะโดยมากสมัยก่อนก็าทำอะไรธรรมะจะอาศัยพระอรหันต์ไปถึงนิทานานและพุทธญาณอย่างเจดีย์องค์แรกที่สร้างที่ลังกาทวีปเขาก็อศัยผ้าอรหัน ถ้าหลายท่นไปเขาก็ถามว่าถ mm ้าขนาดพุทธลามนีจริงถานจะเป็นยังไงถ้าตระกอกถ้าเราขนาที่ขึ้นมาใช่ไหมนี่เขาก็ทำนี่เหมือนนี่เดียวจะไม่ได้แล้วเราเป็นแบบเดียวมันก็แล่นไปเดี๋ยวเขาพุทธสิหิงก็เหมือนกันที่เขาจะหลอนพุทธสิหิงก็ขอถ้าหันไปหาพระพุทธเจ้าขอดูภาพพระพุทธองค์ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ทีไถ้าท่านได้ไปดูก็ขอท่านแล้วก็ท่านก็แสดงให้ปรากฏทุก่อมาบอกให้ทำแต่ว่าพระพุทธสิงหงท่าบอกว่าจะใา้คืนท่านประมาณสามสิบเปอร์เซ็น่องแล้วแล้วองจริงมีอะไรสำแหลบองคจริงเลยคือพระพุทธเจ้านั่นน่าจืตอนฉีเป็นนุกนุมีมีจัทที่ทำสมัยไหม่ับไม่ไม่มี ไมเผมย า, ยาวๆก็ไม่มีไอ้แล้นๆเป็นเปล่ก็ไม่มีเพราะพระท่าเจ้าจะสังเกตได้ว่าท่านเหมือนพระสงฆ์ธรรมดามีบางครัง้งมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าท่านดูจะไปทำราชการถ้าท่านนั่งอยู่ท่ากลางบรรดา บ, บริษัทสักง์หลายไม่ทราบว่าองค์ไหนคือพระเจ้า ถ้ามีแหละะแงแสดงว่าสายการใดก็เสกได้ใช่ไหมครัครับแล้วพระพุทธเจ้าพระตอนนี้ในรูปร่างเหมือนกันมากพระบ่าน ม, มต่ำว่าพระพุทธเจ้าสี่นิ้วบางครั้งพระางาเดินมนในใาไกลๆพระสงฆ์เข้าใจาว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างเขาเสียอย่างที่เราทำมันแบบนี้มันจะทาทรงเด่นใ่ไหมคครับถ้ามีอะไรไว้อะไรตอนนี้จบแล้วเหรอเนี่ย <S <S ยังไม่จบแั้เลิกแค่นี้ไหวได้ไหวได้ไม่ดีจนแล้วเก้าบางทีเขาจะไหวตั้งขึ้นมาเยอใช้ ็ว่าะวาดไนี่ก็บอกว่าเรื่องถวายปัจดใาถวายปัจจัยเพื่อให้เป็นข่าน้ำข่ากะแสไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาดเอาไปใช้อย่างอื่นเจ้าภาพผู้ถวายจากได้อานิสงเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่า ไอ้เต็มหน่วยเต็พรมนี่ใสได้แต่เต็มเม็ดจะไม่แหลกเม็ดอะไรไม่ไหลเม็ดไม่อะไรเม็ดงานหรือเม็ดอากาศหรือวเม็ดถั่วหรือว่าเม็ดสเตรนหรือเม็ดถนนสารพัดเม็ดว่าเจตนาเดิมมันมีอยู่แล้วเขาได้ผลเต็มที่แล้วถ้างฝ่ายฝ่ายเจ้าวาดมันยัง ถ้าทาเจ้าวาดเอาไปทำในสิ่งในสิ่งที่เนบุศลนก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่นไหมยารับที่พระเจ้าพระว่าเจนนาหังเป็นกุเวปุญญาธรรมิมาดูก่อนที่สุดทั้งหลายและกลาวการตั้งใจในตัวบุญเริ่มตั้งใจและลงมือทำสมบูรณ์แบบอริสงนะยากนะถ้า